บุกทูหกสิบตุรกีตที่ธนาคารบังคุมบังคุมดิฉันต้องการเปิดบัญชีเซ่ ชุกุนี่คือหนังสือเดินทางของดิฉันมารพาสปอรต์ตมารพาสปอรต์ตและนี่ที่อยู่ของดิฉันอดรมารอดรมา ร, ด, ร, มารดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉัน เซ่ซิ oui ชชุอัชอิสราห์ส่ยวยเซ่ซิชชุดอัคเชอิสร า, สราดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉันเซ่ซิชชุดอัคเชคิสห์ส่ยวยเซ่ซิชชุดอัคเชคิสห์ส่ดิฉันต้องการมารับใบใจแจ้งยอดบัญชี เซีโ่ะนดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทางค่าทเเตรยมาเชค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ ที่ทดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะแดชพัมซิชเฮิชต์แดดิฉันกำลังร อ, งรองเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันเย นี่คือเลขที่บัญชีของดิฉันมารซชีเมอร์มารซชีเมอร์เงินเข้าหรื อ, อยังคะอัชิรกสัสะอัชิรกสัสะดิฉันต้องการแลกเงิน เซอักษ์ดิฉันต้องการเงินดอลลสหรัฐซอเมริกาดอลล์ซิชิรซอเมริกาดอลล์ซิชิกรรุณาขอแบงย่อยค่ะนะมัจอักสต์ุสมา ช قصد มที่นี่มีตู้เอทีเอ็มไหมคะบมมิชเสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะอางเชิญทนอุิตรอ่เท